สัพะกาวาโตอรหะโตสัมมาสัมกุฏิสัพพะธรมมุนาวัตติโล โ, โูติสาธาบฟังดุราสตุจนะโอมีอสัาสาทาตั้งหลายมล สืบต่อไปนี้ปฏิไดเจติศตสนาธรรมว่าโดยเรื่องสตาโลกย่อมเป็นไปตามรมตามเวินสืบต่อไปไปนาเขาคือปมเหวศรัทธาจุงตังจิตตังใจสะดับรับฟังเผ็นลำดับสืบต่อไป ผมเยีกสัทธาในวันเมือ น, นี้นั่นผมเยีกสัทธาในนิมนต์มาเทศนาธรรมเป็นพิเศษในต่างโตภคณสังฆ า, า, งาเมืองจริงตุงองค์เห็นภาภริยติธรรมวัดหัโกง จริงถุงพุ่นมาตั้งสิงสี่ตอนมีสวธิปีหลงตุปียอดเจ้ามาหาดุงติปแล้วก็อุตตุลูเก่าเจื่ออะไรก็หูจักอยู่อ้างว่าที่มาปั่นกำลังใจ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็กอกมือในวันเหมือนี้ก็ได้มีปมหยอกสัทภาเข้าใจหวาเป็นสัทธรรมอิอนนุ่มอดอกไม่เตี้ไปนีมน่มอญไหวฝั่งปันเมื่อตือ่นคือมาตีศนธาทำนี้ปมหยอกสทัทภาพเพิ่มก็ได้ตกลงขอ ง, องใจศึกษาครับพระสังฆาเจ้าอันมาจอมกัน ควมเมตตาผมเหยียบศรัทธาึธาือหนึ่งในการติดที่เตตสนาธรรมในวันวันนี้ผมเหยียศรัทธาในมานิมอนเตติสนาธรรมนั้นเป็นมเฮนนุม่มเขาตำนองสุขสิทธิติวา่านำลายเตะกินปีเหวยเขาจังหวอันกำโตมันเป็นซ้ง น้ำลายเตะเก่งปิ่ยิงเตะตุผาอันนี้เป็นกานต่อหน้เพราะฉะนั้นเป็นเมยิงมเมยเฮนดุมมานิมอก็ยอมการกำกันว่าไว้น้ำลายเตะปิ่งเมยิงเตะตุผาเต็มเต ม, มั่ว น, น่อยจุปีเขาผมจังอบอกแต่เลย คือโอกาสที่ฝากพอธรรมะฝันผมเอกสะทาในวันนี้อนตังสุดนั่นก็อไข่ ย, ยิบดีกับโดยผมเอกสะทาอันใดโจนกันมาฟังธรรมเทศนาในวันบดีแล้วก็เหมือเจ้านี้ผมเหอกสะทาได้มีตั้งกินหลายอย่างมาตาน อันจับอกจับใจก็มีหลายอย่างแล้วก <Manager 4, S 2> <scène. S 1> ็โดยจำพ่อคุนเอาดองไขคาว่าเมียวพขที่ฝากบอกเมืองจิงตุงเมียวสัทธาเขาที่เกิดได้ยินคำเสริญวัดหนึ่งแต่วันนี้มเสริญนติบาทเลยนะกันว่าอีเมืองจริงตุง ใครอยากห ม, ม, มักชัดหมักนิ่วคือไปเอามีหนองตองบานหนองตองใครอยากตางควงไปเอามีบานตากข่อยใครอยากเข้าคืนย่อยคือไปเอามีหนองเงินแล้วก็ใครอยากล่าคือไปติบันไส ไทยอยากปาในหลบไปกินปาในหนองถุงกันว่าไทยกินถั่วเน่ารองวั น, ว น, วนหวานบ่เมาหมีเ ม, มืองอยหญอันนี้เป็นกำจับ ก, กันไปจากกันไปป้านหนึ่งเมืองหนึ่งก็มีของดีของใครของมันวันนี้ได้ยกปาลีมาเนปผมเมียอกสะทา่าได้ฟังไป วัเก่านั่นวาตั้มูนาวัดติโลูกุสัตว์โลกเป็นไปตามส า, ามตามเรียนของเขาสิสิส่งผมอยากสะทาเกิดมามีหูมีตาผมเหมือนกันมีซอกมีดังผมเหมือนกันรางคนเกิดมาห่างจ้ารางคนเกิดมาห่างดีรางคนเกิดมาทุกหยาบผานใจ รังคอนเกิดมาหัางมีแป็นดีอันนี้ก็มาจอมกล่ำจอมเินอเของเขาตังซีฟันนั้นเกิดมานั่นกลมหยักสะท่าได้จื่อว่ามาจอมก่ําจอมวินจอมกลมจอมบุญฟันเกิดมาในโลกนี้มีอยู่สี่จำโกลมหยักสะท่ามีสี่หมู่ โมติหนึ่งห้องว่าตโมตมะปะรยโนตโมตมะปะรยโนุเป็นภาษาปาลีว่องคำว่ามืดมาและมืดไปตโมตมะปะรยโนมืดมามืดไปมันหือคันหมูนี่จา่าติจาดแล้วได ไดนะ้สร้างตาหน้าศีรษะภาวนาเป็นคันห้ ي ขันหมึกขันลึงเกิดมาจากดีแล้วกายเกิดเป็นคันตุกข่าหยาบขุกขันใจเป็นขันผูศีลหุ่นธรรมได้เกิดหว่ามหมืดมาสมุดไปอันว่าหุ่นนั่นเมื่อมืดมาแล้วสมาเป็นคันผู้ศีลผู้ธรรม มูจักสิงทำกรร ม, มาฐานหมอติ่หมอตันหมอหักษาศีลตายเมื่อนั้นก็ที่ใดไปตีอันดีงาผมอยากศรัทธาคันหมูนีห้องว่าตามโมตมมปะรายานุแทงมูหนึ่งห้องว่าตามัมโมโจติปะรายานุมืดมาและแจ้งไป เกิดมาเป็นค่อนตุกขาอย่าผิดขันใจรูป่างผางทิ้งของผางดีแต่เป็นค่อนใจดีใจหวานยามมีกินมีตาก็อมาจ่อยแถมงกั้มจูเพิน่นมีเงินมีคำลายก่อตาลเก๋มีเงินมีคำก่เอาบาเอาเฮียงนมาจ่อยเปิ่นเป็นค่อนมีใจดีใจหวานค่อนจำพวกนี้ อยู่ในปัจจุบันกามุนเยื่มใจสุบเยื่มใจตายไปก็ที่ใดไปสู่สุขะที่ดีงามจึงได้ห้องว่าตัโมโจติปรยานุมืดมาแต่ที่ใดแจงไปแทงจําโกกหนึ่งโจติตโมปรยานุแจ้งมาลมุดไปแจงมาลมุดไปเหมือนหือ เหมือนควันลางปูลางควันเกิดมาห่างมีเป็นดีปอมเอมีเขาของเ ง, งินคำติกสวนไร่นาตุกอุ้มยาโกูของสัมปติหมกกักโกงลงหลายกินซ้ายัำ ส, สแต่ว่าในจิตใจนั่นเป็นควันให้เป็นควันหมึกเป็นควันเลงหมักต่อพ้ารองโซกินเหล่าถุงยานาน า, นาต่างตาง เข้าใจธรรมะเข้าใจคำสอนควันจำโปกนี่นั่นห้องว่างโจติตมโมปรายานุเจียงมาเล่ตายไปจ่าหนะหมืดไปไปทางถิ่นดีถิ่นงาแทงจำโปกหนึ่งจำโปกตีสีนี่ห้องว่าโจติโจติปรายานุเจียงมาแล่เจียงไป เกิดมาเงินคำของตุกอย่างโซวาหากินก่อยงรูปหางทางทิ้งกองามยาสติปัญญาก็ดีจำเป็นค่อนมีใจดีใจหวานแพงยามมีกินมีตาก็ได้่วยแถมกําจูวัตุประทานเอาของเงินคำจอยเหลือบ่าจอยเลือหฮงแทอยู่จานนี้ก็มีความสุขอุ่นทุนใจ ตายไปจัดไพนากวนะ่าที่ไดไปสู่สุขติสวรรค์ที่วรลุตีดีจำพกนี้ห้องว่าโจติโจติปารยานุผมอยากซาธาเขาได้ฟังได้ยินแล้วเอาไปคิดทิ่จารณาตัวเอาเป็นค่อนจำปวกไหนหนึ่งหมืดมาเอาที่หมืดไปอาที่เจียงไปอะ หมื่นมาหมื่นไปสองหมื่นมาและแจงไปสจแปสจ้งมาแลว้วหมื่นไปสี่แจ้งมาแล้วก็แจงไปสี่จำพวกนี่ผมเหยียบสัทธาได้หู้อยู่เก่ชิดเก่ใจของไทยของมันเอาได้ยินได้ฟังสิ่งที่อันมันเกิดมานี่้ขอด้วยคำโดยเวีนของเขาแยดมาสี่สิ่งผมเหยียบสัทธา ก็หนึ่งคนใดตีมาเฮ็ดดีเฮาให้ที่มาเฮ็ดดีเฮาดีนั่นแต่ไปมัไดอยู่ตีกั้มอยู่ตีเวียนกีเฮาได้เฮ็ดใจสร้างซีสิงกับผมเหนียวสะทาวันนี้ผมเหนียวสะทาได้มาห่มกันสืนบ่มกันตานกัมแถมการศึกษาในศาสนาเป็นนําหนึ่งใจเดียวกันก็สอนว่าได้มี จิตเจตนาเฮ็ดสายตั้งอันที่แจงไปตั้งนาเหมือนก้็ขอแจงมาเย้าเหมือนก็ขอหมืดมาแต่วันปลายนาที่ได้แจงเรือกรมเหี่ยงสะทาอันนี้ก่อกมเหี่ยงสะทาถูกดีเยิมใจในการติบตันตันในการกั้มเทียงศาสนาด้วยจําพ่อในปางสอบทำขระจําปีอีวัด ่าแดงเมืองยางตินีก็ได้มีตุปีิแสงแล้วก็ตุปีิคำได้มาอยู่มาใสาอบอรมสั่งสอนพิฆูสามเณรลูกหลานกาหมียวกสทัทธาตินีกหมียกสัทธา ก, ก็อย่าพี่ปั้นตุปีิเขาอึบเนึ่งจ่ยกันมาส่องเขาปันเข้าเจ้าของแล้วก็ อย่าปินนี่มอนตุปีเขาไปอยู่เฮือนปล่อยตุปีเขาอยู่วัดปินนี่มอนตุปีเขาไปอยู่เฮือนคำเปิดติว่าเตะนะนำลายเตะกิน ง, งยิงเตะกินตุปีคำอันนี้ตุปีคำตีเตะไร่ไร่ตุปีคำขมเป็นปิ้งปี่กบสาวเวหาด้วยเกล็ด กบเหลี่ยงสะท่ากาัมเพถหอมน้ำลายใส่ขุนค่ายวันนี้ฝากทุตีข้าไหวออกร้อมสั่งสอนอกบเหมี่ยงสะท่าเอาใดเฮ็ดการศาสนาจวยแถม ก, กัมจูเียบพีก้านพี่ขั้นมีเฮีงใหญ่กว่าจอยใหญ่มีเฮีงน้อยกว่าจยน้อยกรรเฮามีกรรมหนึ่งกบเหมี่ยงสะท่าเอาห้องว่าปันบ่าปัน้นเฮียง มีสองรมฝันบาบานั้นเอาตู้เขาจ่อยเอาบ่าเขาแบกงานแบกงานอันนี้ห้องว่าฝันบาเอาตู้เข้าไปจ่อยเฮ็จ่อยศาลเหมือนปมหยอกสัทธาได้มาจ่อยวันเนี้ยได้มาเฮ็ดเขาเฮ็ดทักได้มาโตโต่โตจั่งคูลาดอาสนะอันนี้เอาตู้เข้ามาจ่อยปันเฮียงนันู กมยียศธาก็ได้ปันแห้งหลูกหลานคือได้สืบหั่นสืบเพีย้ยนจ่วยแถมปันทั้งวันขมูลข้าปองอันพระปี่น้อยเข้าได้เงินเข่ก็ถองก็ถองเขาก็เยือใจเอาได้ปันตึงบ่าแล้วก็ปันตึงแหงแต่กัมนี้มีหลายก็ปันหลายมีเกศกอปันเกศตามจิตนาศธาพระราอานิสองนาบุญกอที่ใดเดินกันะกมียศธา วันนี้มีทำเรือร่องหนึ่งว่าด้วยเรือ่องกรรมด้วยเรื่องบุญที่ได้เฮ็ดได้สร้างมาหนึ่งอย่าเฮ็ื่นแตกต่างกันก ต, ตินามาอุ ป, ปมาบอกเก่าไข่เมะปมเหยะาะสัตห์ทำปุกนี้เป็นร้มเก่าปื้นเมืองของเฮาชื่อว่า ทำทานป้าสองเสียวทานป้าสองเสียวนี่มีบุญอันได้เฮตุได้สร้างนามเหมือนกัน่านป้าสองเสียวนี่อยู่บ้านเดียวกันผมอยากศรัทธาก้อหนึ่งอยู่เฮือนไต้ก้อหนึ่งอยู่เฮือนเหนือ ลิงชีวิตจิตใจเริ ง, งดูบลิงเมื่อโดยการไปหาป๋ามากินกุวันณกุวันวันหนึ่งสองขาปวดเสียวก็ดโจรกันไปหาป๋าตีเม่นำสองก้ปวด เ, เสียวเขานั้นปวดเสียวเฮิร์นเหนือนัเล็ดป๋าเก่ะกามดีนะโแบบกเมียงสะทาเล็ดกำได้กำได้ก่อนใน ป, าใป๋าตัวใหญ่ตัวหลวงอะ ส่วนพัเสียวเห่นใจนั้นกรรมพดีนางเบดป๋าตึงวันผมงได้ป๋าลาขับมาจาทีปอกไปเบ็ดไดป๋าขี่ตัวหนึ่งตั้งเมืองยางห้องว่าป๋าขี่อยู่นอป๋าขี่าป๋าก่อป๋าขี่นมนกรรก็ห้องป๋าก่อเข้มใจป๋าแอ่เนอเว็ดไดยป๋าขี่ตัวหนึ่งมาผมอยากสะทา ก็อปอกมาเฮินมาหาลูกผามีเอามาขังไว้ตีในมอตี่ป่ายจันกำนี้ตกอวันผูกมาสองก้าวปวเสียวปวดจวนกันไปหาปา๋าเถงเหมือนตุกวันตี่ผ่านก้อนมาวันนั้นสองขาปวาเสียวออกไปเหลือมฆเขาไว้อยู่อีเ่เฮินปวเสียว เฮินใตนั่นออกไปหาปาตังเต่เจ้าผู้เป็นเมยนั่นอยู่ไปตังเฮินลาก่อลาจำตีถึงมายอดโห่ก่อนตีปอกมาจากตีหาปานั่นตีแฮดเข้าพักไปถาปู่ไปซ่อมหมักพักหมักเท้งหมักเฉียงหมักเตาตีไหนก็ สุุกมุเปที่เอามากินสิโอยที่ไหนก็มันดีงามในโซนั้นก็จริงมาคุกจริญปลาตัวนั้นน่ะเนีย่ยสตาเออเอามีป่าตัวหนึ่งอติมาคุกโหมานแหล่แฮตตอมสป้ยทาผป่าตัวนี้เป็นป่าตีวรรอิมากัมสมปานใจทุกตาเฮือนไตปูเป็นเม่นั่น็ เอาป๋าตัวนั้นมาวางไว้เหนือเขียงเสีแล้วแหล่ะงับเอาสันข้ามิีดนั่นที่ซับโหป๋าโอป๋าหันข้ามมีนั่นเรียนตักพ้ามิมาีนเสียท่ากินพ้ามิีนนั่นลองไปกันเดียวอันนี้เริืองเต็มเต็มมัวเต็มในทำฝนบาไวหวป๋อมียกสียทาฟังไว้เป็นติสอนใจนางส้งเกิดโตสะใจดําขึ้นมาแทงลากไปเอา ตาเมษมาบโปาป่าสันหนตาแมสจำเปยนกับตาแมษเกินปลาตาแมษร้องไห้กำนํมามันนางกูเขียวสถานะกูเลยไปนั่งสั่นอยู่ตกลามากูเป็นโหนั่นบอกมาไปหาป่าบอกมามาถามหามีน้องเอยปีละ ปีไปหาป้าบอกมาเย้าวันนี้มีสันทีนี้อยากเข้าไหนเย้าเหลือใจไหนเย้าอ่ะเมยกอสามหวังจังแค่สังมีป้าตัวหนึ่งจำคาขมใด้จำแฮมขมไดกินป้าหมีกินป้าตามแม่เดือดปีโอ้มันขมยุ่มโอ้มันก่อเลี่ยนไปหลากเอาผ้าเหลวอันห้อยไว้ ป, ปีปาเฮือน อามาสับฟาตันสัมเลียนกับผ้าเหลียวกินป้าผ้าเหลียวนผมอย่างเซตาเาว่าฟ้าตัวนี้นะฟ้าตีวดา่าตั้งสองกโกกเป็นั้นตกใจกูเสียแล้ช่วยกันเอาป้านั้นไปขังไว้ที่ในหมอปลายจานเหมือนเก่ากำนี้ตกลางขึ้นมาหิ่งกับนั้นเนี่ยอย่างเซตาได้ยินควันเหมือนเสียงควันปู่กัน อยู่ตีปลายจานเป็นเม่กอจําจโผล่ลูกไปตวัวพอซู้อลูกไปตวัวลมวนใครมาอู่กันตีปลายจานโอมันกมไขมื อ, อตึงนอนกอดเม่ยุ่นๆอยู่มันขิง ก, กัดนะผมอย่างสัท่าวะ่ะอ่ามีไพกา้าเมีเอไปตัวแหละมีเออไปตวัออปตวแหลเหลือกำห ม, มินอะไรก่อไปอ่ะอันนี้ก่อนนําลายเปพะพิแงแบ่มอยาสัทาเข้ว่ะ เหลือกำมมีมอะไรก็ออกไปตวยโปไปตวยเอาไปหั่นฟ้าตัวนั้นตัวใหญ่ขึนมาก่าวลูกกาวไวย์สัทหะเรื่ก่าวปัญจายจุต ก, กตานี้บาอย่าพิทาภูเขานี่เป็นปาที่วดาอือที่มากำมสมปนนันมึงมึงได้เฮ็ดได้สร้างมาจากจากที่หลุ่มแล้วมาอุสรณาบนี้เด็กที่ได้มากำจูสัมปนัน อย่าพี่โกถ้าขาได้เงินขได้คำนี้วันถูกนี่ไปหาสารซ้าสารซ่องมาตัดสาวซองอาทิตพี่เอาเงินเอาคำมาฝันต้องวันบึงหลวงเจ้าม า, ต, กก ต, า, าตุกตะเต้านใจก็ไปหาของมาได้สาวของป่าเอาถึงป่าตัวนั้นไปถึงเม่นำกี่นายยัดจนมาเนี่ยนะป่าตัวนี้ลงไปกัน้นงานหนัก ได้กั้นพยานก่ยเมื่อลองไปกั้นอยู่นั้นสั่งใจทุกตาว่าขอหันสั้างขึ้นมาก่อยเย้าคือสวัสดกาถาสวัสดกาถาว่ากูเป้กูเ ป, เ ป, เ ป, เ ป, เป้ที่ติ่งกันนี้พยานากา้าขึ้นมาไวาสาขอขามาลาตรวจยเปี้ยวตรถึงตายแต่ได้สั้งก่อนเปียวมาปันกันนี้มันก็จรงว่าใครได้เงินใครได้คำแก้วแสง เ, เสงนินคำ ยาหนกเอามาปั่นองสัทนายาหนกเอามาปัญญาาย า, า, ม, า, ญญามันปวดในกายเป็นสักที่หลวมก็เหนื่อยหยุมถึงนานปวดเสียวเ ห, เหนือมาเอวมาเอวมาหันใส่อู้หปวดเสียวหมือนเดียวนี้เป็นควันถังคนมีไปกล้าไปขายทั้งนี้เลยเป็นควันถังควนมีเป็นปวดเสียวฮักท่านมาหึงนาน ไปหาปู่หาป๋าจนกันมาเป็นเวลาหลายปีก็จริงเก่าวน้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เก้าถึงป๋าก็เสียวเงื่อเนือนั่นขอยืมป๋าขอยืมป๋าพอเสียวเฮื่อใจว่าถ้าได้เงินแคแไหนทำก่อมือป๋านี่ยืมไรฮะพอเสียวเฮื่เนือสหว่ายืมไรกอเอาป๋าเงี้ยเงินคําอีกฝั่งเงือนก่อนเอา มันก็เอาป่ามือป่าถึงของมือสาวของรับโหป่าไปกั้แนแค่นั้นกันนี่มือป่านั้นลงไปกั้แนแค่นั้นนึงเปิดหืมันสวดกฐามันสั้นลืมกฐาบผมสัาว์กฐานั้นเป็นว่าปูเป้ปูเป้มันสำหรัูกั้นปูกัน้นป้ก า, นปาก็เลยกัน อันนี้น i, own, คนให้คัหมืดคนเรืองอ่ะผมเียวเสถาเปิลว่าตัดีมันว่ากังให้เปินสู่ตังดีมันสู่ตังให้ปัจจุบันนี้ก็มีเหนียวเสถาเปิลว่าดีมันซ้ว่าให้เปิว่าตังดีมันว่าตังให้เปิลสอนตังดีมันสอนตังให้ปาก้านยวขึ้นมาทางว่ามันตีอีดูปา ป้านั่นจำที่ตายแล้วการถานากมันเกินเร็วโอ้ขอบายนน่อต่อยหูป้าแล้วตายตีฝังนามันเอาป้านั่นฝังไว้ตีขากท้ายหนงเอาป้าฝังไวา้าลสืบมาเอาป้าฝังไว้แล้วตีขากท้ายเหม่น้นึ่งเดีวหมึอนนั่นปวดสิวขึ้นไตซ้ำไปไข่หาไปถามหาป้าขคุณปวดสิขึ้นหรือก้ ได้กล่าวว่าป่านั่นได้คาตายเสีเรล่เหล่เอาฝังไว้กีดขากซ้ายเหม็นํามันเย่อใครหูห้ก็ไปตัวเราไปสู้ตัวเราก็เสียวหึ่งใจก็เป็นห้องเป็นไห้สีได้ป๋าวิเศษป๋าที่ปดาไปสู้จมขากซ้ายเหม็นนำซ้าไปหันตีฝังป๋านั้นออกเป็นไม่สั่งคำเลี่ยงเนี่ย ออกเป็นไม้สร้างทํามาแล้วมันก่อตัดเอามาตีเฮือนกอตัดเอามายาวของมู่ที่มาเฮ็ดสั้างมันก่อ ม, มาตัดให้เป็นฟองเป็นฟองอะไรมาบักบักเฮ็ดเป็นหางหมูอย่างาเอามาเฮ็ดเป็นหางหมูอย่าไปซื้อหมูมาเลงซื้อเมาซื้อหมูมาเลงเอาแกบเอาเข้ามาอ่อยหมูนั่นก่อเจียวใหญ่เจียวปีเจียวสูงเจียวไรขายไหว นะครหาเดินข้าเพื่อนก่ได้ขายอะ่ะขายเป็นโปก้าหมูมีจื่อเสียงดังโป๊ะก้าหมูตีเป็นเหล่าเป็นมือหมูโตใหญ่โตปีหึงนั่นพอเสี่ยวเึ้นเนือสมุดได้ยินข่าวเลยมาขอยืมหางหมูแทนกันหนิมันกกเป็นอันฮักพอเสี่ยวเสียเลปันยืมมือปัดยืมหางหมูเมื่อแล้วมีนาขายหน้ามีไห้ขายไ ห, ห, ห้มีสวนขายสวน ไปสื่อหมูมาเลยก็เอาหมูมันมาเลงนั่นกินเข้าในหางหมูนั่นนะผมอยากสัตหานกินไปกคำไหนหมูนั่นก่อยอมลองยอมลองว่าหางก็เหี่ยวนิดเเหมือนหางหมวัวหดเอาไตเสียซีมาหมูนั่นซุ่มขายหากอดซีขายหน้ากอดสีอันนี้ยอดน ย้อนว่านาบุญมีได้เฮ็ดซังดีมาเตะจาที่ฟังดุ่มเดีวเปินเฮ็ดซังยืมเปินเปิดเฮ็ดซังเฮียนเปิดเปผมจังแผ่นดีเหมือนเปิ่นใด้เป็นคำสอนกรรมนี้มันก็เป็นอันเกียจจ่าใจดำเอาหางหมูนั่นน้ำพึดเข้าไฟสิสๆเอาแปดสุขสักตุมตึงหายตึงนาตุงสวน มึงน sí ok> ั่นปดเสียวหัวใจซำไปไข่หามหาห้างหมูนั่นึ้นมันก็เอาซุมซิงๆห้างหมูเจ้าขาก็เผ้าไฟแปดสิงมาจะให้หันกับไปตัวละอยู่อีกองไฟคนนีมันก็ไปโซ่ไปเข่ตัวได้มาป้วดหนึ่งกาฝ่ามือในแบบผมอยางสทาเอากอกมาตีเฮือนที่เฮ็ดสั่งดี คิดกล่อมออกออกขล่อมถูกที่เฮซันดีมันก็อเอามีดมาคักมาข่ายแฮ็ดแผนบีหูก็เฮ็ดเฮ็ดแผนบีหูเอาปันมีมันบีเขปั่นมีมันบีมีมันห่างจ้าก็ห่างดีมากําเดียว่ะเอาปั่นมีมันดีฟงหงอเงแงบเหมือนควายคัดมอกัดสื่อยาวมากําเดียวผมอย่างศรัทธาก็วั่นหัะ นาเหวนนาหยวนนายังต่องกังผมชนันกดดีมากำเนี่ยวะงามมาะอลรัดเหมือนสาวสีผาสพาวก่ากันเนี่งามเต้งามวาลำคอก็ผมเป็นฟองวาผมยองยังงามเหยือสาวนศรัทธาเขาคำนิ้มึงน้างกวดเสียวขึ้นเหนือสมาเยีดเพียง มาหันใส่เมี่เสียวมันนั่นปิ่นไปจากโกนหนึ่งเป็นโก้นหนึ่งกําเดียวก็เอือไปกันเดียวนำก้าวพอย่อยลงจุดๆก็เปิดได้หันเมี่เสียวหนึ่งนามพูดจักก็เลยว่าที่ปวเซียวอ่าโอ้ปวเซียวดีดีกันก้อนท่านี้สั่งเลยมางาเอามีใหม่หวงเก่าขายปวเซียวก็บ้านั่นเป็นมีเก่าไงเอือ เจ้าส่ันมันกินเลยสังมางาม่านั้นอาของปั่นสังกินแล้วก็เจ้าเอาของวิเศษมานี้นะเป็นวีหูควัดอันนี้ของวิเศษวีเรางามมันก็สะบัดเอาติมือมือกำเนียบเอามือเท้ายืมกันๆลียนลองเฮิร์มือกำเนียเอาน็ใส่ท้องเสือมือยุมยุมสูสูโคโขเมื่อจอมต่างนั่นหลที่ไรเมงามกันีก ไปถึงเงินขอห้องเป็นตู้เป็นสูอมีสูมาเงนหอมาเอเอาใดวิหโหวิเศษมาวีตี่รู้มีมงนางอยู่เยอกับเมสทาเอามาวีผมหัสื่องามสลวยเป็นของงอเงียมากำเดิ่วเลยหน้ากวาดําชยวกงอกมากำเดือ็สท่าว่าอันหั่งที่กองไก่เป็นหังจาซิงซอ่ะ ผมกกองต้องก่อใหญ่มาตั้งเดียวผเอย่างเสถางาแอลแข้่ก็เหมือนต่างกู้มีกรรแอลแคล่ต่างกู้หวังเอาโผ อ, อืดขังนอมน้อยเต่าผังล่างอย่างเสัางามู่เจ๊ผังล่างนาง่องน่องนั่งนั่งสาวสาวตัว้งหลังไดมู่เจ๊อย่างผังล่าง หางล่างหลงๆนั่นอ่ะมันเป็นหอยคอโบต่างยามกล้ายามขายหกก่อนเป็นห้องว่าผังล่างนมน้วยเต่าหางล่างอ่ะก็กระนั่งน้วยอ่ะเคยประกาศลักการวัดอุ้มกบกองมาต้องตัวใหญ่มาอันหังดีก่หายไปเกียวกอหอกตากบส่องกลางกอปอมมานมกอใหญ่มากว่ากน่สัตว์ว่ะมหังนั้นหังดีเลยอ่ะ อา้มันกเกรตจ้าใสดังเต๊ะเกอนไหนก็เิมาตัวอ่ะกันี่ในบ้านในเมืองน่นนี่มีมันเป็นช่างไฟกับู้อ่ะก็นไหก่อจนกันมาตัวมาหนอ่อบผมมีไปอยู่จินคันใดนี่หรอยอยู่พูนอ่ะเปิดแ่หันซัวข้าบผมมีไปอยู่จินคันใดให้เกินมาตัวใสลำานามีหัวนับ้านใสไฟแทงเหมงนั พอเสียวเฮือนไตใครบอกมาไ่หาพิ้วพอเสียวอ่ะเจ้ายืมยี้โหขามามีไหนไหเอามาส่องข้าเลยแม่ข้าปัสใส่ไพ่เรียบร้อยแล้วคือเมฆาวิงนี่งามผมงามหังจ้าก็หังจ่าเพระหมูงอเงียบก็ตัดเก้าจากักรไข่จำยืมก่อตัวเก็เข้าออยู่ทิ้นทันใดนี่มันไปตัวก่อนใจเตี้ยก็เป็นห้องเป็นไฮเท่แรก ไปโซ่ไปอคอกไปเขเอาวิวโหดติดเตาไปนั่นเลยมาปัดน้อยกันอยู่มือสตาหรือกันอีกครัเอาปลอกมาเหินกปอกมาถึง เ, งเส้นยาวเอี่ยงสั่งดีมาหนังนังขาไ ก, าก่ก้อนมือไก่ดาผักจิตสังกมออก ก็มาเหลาไปเหลามาเดี๋ยดน้อยกลายเป็นไม่จิ้มคิ้วมันก็มาจิ้มขวพอจิ้มคิวยาวล้อมในต้องนีปั่นหนากําเดีย่านะจินเขายางมาหนังไอจิ้มวเดียวล้อมในต้องนีปั่นมากัมเรียนสร้างไข่ตอดแตรงนี้สาินเขาจำเมีอยู่กีนอดเพียงก่ออาหาเม ตก่อยๆติ๊ตอนนั clothes, ่นทางที่เม้นสําเหม้นแบบนี้ก็บอ๋อผับเพินมหมเงินไตเห็เหนอกว่าเลียนมาดองตอดอะสิ่งๆอ่ะอันนี้คนมีบุญผมอยากซะาบนะตอดยังหอมนะบอกไปจาตัวยืมไม่จิงเชียวทุกี้ทำก่ไนเ บอกเขาไปจิเมตตัดใส่หอกด้วยตัดใส่ใบในผ้าเวลานอนมาก่อหอกผีเม่ซุผีมาในห้องผ้ากบหมูเลยรับผมเหี่ยวห้องผ้ากบหมูหอมมาเม่นามูบอเขาระวังนิ้นผมเหี่ยวถีงผีภิตเงก็หอม จำเนั่ยหอมไปเสียวขึงปว่เสียวขึ้นหนึ่งกเสียวขึ้นนออกมารู้กเสียวใะ้รสเททันยากินสักไหนต้หวมากเป็นพวไม่จิ้เียเนี่ยต้อหวนในมะค่ายืยจินตโดด้มันก็มาจิมวอ่ะจิมเต้ลองกับปั่นแล้ว่ะกดออกมาก็หอมเหมือนกัเนิดของศรัทธากว่า กอดหอมเหมือนกัญญาคำนหอมจังเฮสังก๋ไม่มาจิมเชื้อต้อนใส่กัที่เยอะวหอมรูเสียมาีนหอมไปตับ้านตูเมืองตัวเมนยสถาหอมไปตั่หังตูวหไปถึงแ้่จอมเมืองคนนี้าจอมเมืองได้เสียวใส่ต้อนกอดใจเสนาอามัดมาถามไปถามก็รู้ในเมืองคนนี้เปลีนเฮสทั้งไหมาหอมจนญา ครับผู้เสีหน้าอามัดจี ก, อกอลองจีของลงโหมาสอบถามด้วยล้มันหอมชัางช่างจานวันในกาศใ้ดีเด่นนก็สาบกันนก็ตุ่มกันฝนกโหดึกๆกันผู้เสีนาอามาัดถามลงมาหอมชังนี้ต่อยก้องต่อยของลองมาจอไม่หอมชังนี้มาถึงในกาศมนกาศมนข้ายกันอยู่ในกาศตหอม กลาวฟันเซนาอัหันะเซนามาดัดผมยุ่มกอเลยไปสอบาถามทั้งตีอ่อไปสอบถามถึงตีได้หูเขา่ะุกกาตาสอก็เฮือนไตเฮือนเหนือก็ขอไปไวสาบอกกล่าวพญาจำเ ม, มืองพ้าจำเมืองจึงห้องเอาสอก็นี้เข้าไปหาเข้าไปหาย า, ยาจำบังกอก ผมอาจจะกล่าวพันว่าสุสองก้อนี่ตัดหอมเต้าก็ลือกันนี่ออใจขาตัดหอมเตะขาก็เตะรู้ประวัติตัดหอมเตะนี่ที่ปันกินเมืองคนืนหนึ่งยอดคือป็นพระจำเมืองแข่งตอนหนึ่งอ่ะอุปมาถ้าตัดหอมจริงๆทุงกว่าเมืองโวยเมืองอย่างได้ยอดปันก e. ินก er ันเดียว กำนี้ทุกกะตาหุ่นไยนั่นก็อทำฮัตตัดข้าหากโผผ้าจอมงี์ใส่ตูดใส่ตันตะกรรมกผเอาหลูกเอาเมยโผได้เอาถุงไตจมอมงศ์จริงของคุณนาฝันหวังเป็นสัง่งตอดมาอนุญาตมันก็อเดิมไล่เสีได้ก่อนหลักเขไม่จิ้มเชียวเนี้ยที่ท้องเสือนีน้ย มาจีมไม่ก่อตัวดับเมสังทานนะ่อยปิดเอาไปหอมใบตูวหางตัวหัวหาเจอนางใจราจากขัญญาศรีนาอามาัดเรียนนนอมตัดสิ่งๆอ่ะคำนี้เออฮอลตัดหอมเตีย้ยอ่ะมันกินเมืองคืนหนึ่งยกมาเอาปัญลังการมาวางไว้คางๆนังน่งให้เป็นแค่ใจเมืองก้อนหนึ่ง คำนี้่องของขุนนาปันแข้งก้นปวสิเพื่อนเนื้อนได้ข้อมึงก็ตถวมากว่ใจท้ายมาตัดตุ้ยมาจำจมื่อเจ้าหนิงตันไรรมดีคำดีต้องแหงๆกันมาจำจ้ำมันก่อห้องเอาไอ้นั่นขึ้นมาพอมาถึงเหย้าขอสัทาจ่าจำมึงขับผมมาจำจ้ำมันก่อโอ้ จึงโก้านาจึงโก้าเต่ า, าเสียหน้าใน่นมาไปตัวซ่องแม่ผมอย่างเสธาไปตัวเอ็มกาทำไปบาดอมกอดถึงวันนี้เลยวันนี้เด็กป้ามาหนึ่งอย่างเสนอตอนหอมนี่นะยา <c oughs> จเมองขับหัวตอดเลืมไหลมันก็ไหวคนไปตังค์ยาจำมึงตอดเสธาตอดผมออกดีๆยาจำมองกันลุดใส่แทนตอดได้ โกดึงเอเปหมั่นนั่นนะบัดป้าออกมาป่าเย่ก็เร็วผมอยากทราบแม่นไปตู่ห่างตู่หวนางราชาขันยาคาเจอนางใจหากกันโก้โอนอีกอ่ะอารูตัวนี้มึงซ็งเลยมาถ้าหมัดแค่จังมึงตู้จะมีมิดก็มิดมาซับจะมีควอนกควนมาต่อยจะมีตามแมกกอตามแมกมาต่อยเ้มือราตายคำตีน่ะ บอกไปไหมป้าหลุก ป, ปาเมย์ที่มิติอยู่ติกินทุกขาระบาบโหลดเอาตายสีหันเรื่องนี้มีอยู่ในธรรมนันจื่อว่าผ่านฟ้าสองสิวเป็นธรรมกระบานกับเมืองเฮาเป็นนิทานเป็นอาปุ่มเรื่องต้ดหอมเป็นคอสอนใจว่านาบุญหองมี สาหอมกามเกนัรนเอาไปเยิงเปิ <ther ened> ืนเอาไปเห็นเปืนนั่นก็จังได้รูดได้สุมได้เสียได้หายเอาม่เหมือนเปิืนไปแฮดเหมือนเปิืนกลามหอมดีเหมือนเปิืนไปแฮดเหมือนปืนอั่นก่อจังได้ตังทุกข้าอย่าปึดผันใจมาสู่ตัวเฮาสู่น้าหัวต่อเฮื่ออย่าที่ตีน้องของเฮา อีใดนำเอารืองนี่มาบอกกล่าวฝันกลมเหยียบศรัทธาก็เปิย์ใคบอกกล่าวฝันกลมเหยียศรัทธานั่นใดต่าเปียงตัามตีดีที่นำเอามากล่าวฝันกลมเหยียศรัทธาดีนั่นไม <c oughs> น, นใชว่ายอมก้านขำห้องยอมก้านกามห้องใจเอาเกิดมาจากนี่ เอาหมุดมาเสียตาขอเอาเป็นข <tem> e ั well. or, ้นตุข่าอยาบผูกหันใจห่างดีผังงามซับวิทย์ป่าเยียวเสียตาขอหยาบตีต่ําคอยหม่องใจด้วยกำโดยเวียนเหยียบมาเขาได้มืดมายาวเขาถูกดีเฮยียดตัวเขาหูมันเจียงไปตางนาไห้ใจดีไห้ใจงามไห้ใจกัดไห้ใจหวานสุดไปต่างหน้าหอเหยียบสะท้าน พียอมการตกคำของเฮาเออเฮาได้เปลี่ยนมาเหมือนเอี่ยมผมเฮ็ดนร้างสังเยาะ์โดยกคำโดยเวีนเฮาเปลี่ยนมาอันนี้อย่าพีคิดคิดว่าเฮาได้เบื่อมาสีก็ดีเอาถูกดีเฮ็ดตัวเฮาคือมันเจียงไปยามมีกินมีตายามสอบน้ำสอบทํานานาต่างๆตาหน้าหล า, านหือติดหืตาจ่อยในวัดในว่าก่อใจ ในวันในข่มมีการมีงานใดที่ไปตาป้านปวดใจเป็นตีเป็นน่องแยบใครใดแก่เอาใดไปดูไปตัวปั่นนั่นจชอบ่งยจกันการตา้านสิ่งอ่ะศรัทธาเขานะศีล่หักษาศีลศีลหักษาศีลคือดีคืองามภาวนารักษาจิตภักษาใจ พี่ือโลภะโสะโมหะเข้ามานํำป้อนตีไปแต่ก่อพุทุจนาเหมือนหมู่เฮาเจ้าคาตังหลายนี่มีเหมือนกันเสีงเสียงอ่ะว่าแต่มันเกิดขึ้นมาโลภะแห่งโลภะใหญ่พอจังปลาโตตายจังกายเกิดเป็นคนรักคนเดิดไปกล้าอันผิดศีลผิดธรรมใดเพราะฉะนั้นก้าตามสื่อตามโยเฮตตามมีตามเกิดมีกินมีตา มีหลายตันหลายมีเกตันเกเป็นใดคือก่เหตุการันอันนี้เป็นการเหตุหรือตูวเฮาดีไปต่หนาอันหมืดมาเย่าคือได้เหตุตั้งเจียงไปอันเจียงมาเย่าคือได้เจียงต่อไปแทงเกิดมาเป็นความดีความงามเย่าไห้ใจดีใจหวานคือดีมืองามสืบไปต่หนารูปพระธรรมกัมจุศาสนาสืบไปปลายนาอย่าพีหมืดมาเราแผ่นพันหมืดไป อย่าพี่เจียงมาเหวี่เป็นคนหังคนมีคนดีคนงามแล้วมึโูโผัยกายเป็นคนห้า ย, ายนนกายเป็นคนเืิกกายเป็นคนดึงเฮ็ดพิบต่อเปิน่นเฮ็ดเจ้าต่อเปื่อนข่มแขยงขนาดแจ๊กเสงเปิน่นอันนั้นเจียงมาไปจาดไปหนาที่ไหลมืดไปไปต่างถิ่มดีงามเพราะฉะนั้นนำเอาธรรมเตชะนานีมาบอกกล่าวผมอย่างศรัทธา วัดน้อยหนึ่งนะวันนี้เวลาก็บ่ก็มีหลายน้องเนียข้างนอกอันจารย์น้องนางนางข้าก่ไปทาฟ้อนตินมือกว่าสั่นยองๆไปตายปุ่นเพราะว่าตีสนามเลียวผมจังได้ฟ้อนอันจังได้กา้าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพิเศษไดมาอุ ม, มาจากข้าพ่อเมียกศรัทธาตูเตียะสังข้าเมืองจริงตุงมาปั่นแห้งแทงกับนั่งใจ ลูกหลานปมหยอกสะท่าตุปีพระปีผู้สอนเข้าเจา้าตุปีคำตุปีแสงแล้วก็ตูปีพระปีผู้บาเข้าเจา้าในเมืองยางของเข้าตัางสิ่งตัางวนก็จอมจื่นยินดีอันปมหยอกสะท่ามาฟังนําฟังทำก่อสาทุอนุโมตนาคือกายเกิดเป็นพระร า, านาภูนี้คเตียงสอนโตัวปมหยอกสะท่าไปนาตีสนาวาสานีในปีสุดท้ายหันคำมาตีสนานี อปันวรากรรมกรแก่ผมหยอกสะทาตุกปูตุกคอนคืออยู่เล่าซาดีอยู่ดีกินหวานนอนรักคือได้เงินหมื่นคื่นคือได้เงินแสนแสนมือคือไดเงินด้านที้ขานคือได้เป็นดีคือได้มีตีปักตีกึงวันที่หนึ่งใส่ผีคือเหมือนออกวันที่สิบหกใส่ผีคือเหมือนใจ อย่าพิมีโรกาภัยมาปาดตองในแห่งห้องกายยาตันตัผมหยอกสธาทุ ป, ปูตุพันหุมังมุงตนตุนเต้าเจริญในธรรมะเจ้าสุดไปปายนาะียาเตสนาก่าวเกย์ขยางธรรมะโอวาตาป่าโดยเรื่องสตโลุเป็นไปตามกำตามวินั่นก็สารเจ้าบรมูลอา ร, โราโุนเต่านี้ก่อนเด ตัสมาติสุตธรรมตููคานสาธุสาธุสาธุปุรตนังธรรมารตนังสังฆรตนังกายกรรมังวัีิกรรมังหนกกรรมังสรรพิตาตูสังสิจาตูสังปัจุปนณาตูสันาณาตูสังปุถะธรรมะสังฆะธรรมะหนุวัติ ผมอยากสะท้าตอนที่ได้รับสินรอบรรมปันวราตังก ร, รขันธรรมที่ผมอยากสะท้าได้ตามมาเหมือนี่นั่นก็ยอกตาลขึ้นกับโดยองค์เฮนป ร, ริยติธรรมวัดป่าแดงของเขาตีดอีอันนี้เจสนาฟรีในกรมอยากสะท้าก็เหนื่อยขับขันมัน เอาขันมันปอกตาลขึ้นกัมเทมการศึกษาหัมเห็นภิคูสามนินในวัดในวาวัดประจัธานหกวงปู่แม่งอยยางของเขาที่นี่ศรัทธ า, าตัณสิ่งทังบนญจนกันสาุูอาบงเสกํามโดยสนึ่งหนึ่งหน